เซขาปฏิพาทำมิกระาก่อนฟ้าสนธยาวันที่10มกราคมพศ2547เรื่องเทคนิคของการเจริญสมาธติตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญ โ, โยผมก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับบัดนี้เรจะเป็นยังคู่อะได้เป็นยัคงคู่ไหนแม่ มันนกันเรื่องาบลาบนี่นี่หลายหลอนอบ่เป็นคู่เนีบ่เคยชินกัมือสิสิโนเคยชินเป็นอยู่แล้วเนาะทุเป็นมันเป็นย่งคู่ของตมเลยคิดคู่ต้องดูเลยทีนี้เรามาดูต่อไปเมื่อวานนี้เราพูดถึงการดูอารมณ์เพ่งอารมณ์จะเป็นอารมณ์เดียวแล้วถึงการลำงับถึงการลำงับไปถึงภาวะจิตเป็นอันเดียวไม่มีอารมณ์สองสามสี่มีแต่ความรู้โดดเด่นอยู่อันเดียวแล้วพูดถึงตรงนี้ แล้ววันนี้จะขอขยายไปไปถึงการดูลักษณะขออนุโมทพระคุณเจ้าพร้อมกันสวดเจตุกาสที่สองของอานาปนสติพร้อมเพียงกันให้ผมได้พักผ่อนหน่อยจะได้บายตามนั้นมันจะได้สมบูรณ์แบบทั้งทางเทศบิงและเทคชุน่นทั้งสกอราด้วยสุขาพฤษาเวทีเอาต่อตั้งแต่ต้นหวันก็ได้ ตั้งแต่ที่ขังวารไปถึงปัสมพระอย่งจิตตทังคาหลังจบอันธรรมยังนาปานสติปุทาปาสิตังปาทังภาณามะเสไม่บอกหน้าบ้างเลยเพื่อนก็เลยบอกหน้าหน่อยหน้าแปดจิดห้าห้าจุดสี่ห้าสิบแปด <c oughs> ข้อหนึ่งนะครับเร่มข้อหนึ่งนาฮ า, าสิบแปดี่ของอังว า, าสาัสนโตทีขังอาสัปสาสมาติปาชานาตเอโสนานเม ใจออกยาวขอรู้ตัวตัวเตึงว่าเราให้ใจออกยาวเข้ายาวดังนี้พระสังวาสสังโตราสังวาสปัสสัมิติปัานา สันดังนี้สาภกายปฏิสังเวทีอัตสาปสัต si สิสามีเทศติย์เอสุดันยมธรรมในบทศึกสาว ควรจะหัยใจออห้ใจเข้ารังนี้อาสัมภายังกายยาสังขารังอัสาปัสสาสิสาเมตสิขาติเทสุนันยมธรรมในบทสุสัทา เทปัิสังเวทีอาศาปัสาศิสามิทิสิขาทิเสุนันยธรรมในบทสสาวาเราเป็นผู้รู้พร้อมจะพอซึ่งึกิติจะหายใจ ในใจเข้าดังนี้สุขาปฏิสังเวทีอัศพัศเสสามิเิศกาทิเอสุนันย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ จะ่ายใจออกหายใจเข้าดังนี้จิตตาสังขารปฏิสังเวทิอาสะปัสสิสามิเตเสาติเอสุนัญยมทำในบทสกสาวาเรา เป็นผู้รพร้อมจะพอซึ่งจิตสังขารจะหาใจออกให้ใจเข้าดังนี้ปาสัมภังจิตตาสังขารังอาสาปัสสะเสสะมีเตเสคาเต เอกสุนันย์ธรรมนายบุตรสาวเราเป็นผู้ทำจิตสำคัดให้รำงงับอยู่จะหาใจออกหายใจเข้าดังนี้ตีด้วยประการชานี้แล ผมขอเวลาสิบนาทีด้วยประกาชนีแลเพื่อจะได้อธิบายหลักอันนี้มันสัมพันธ์กันนะครับที่เราสวดมาสัมพันธ์กันตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อที่สวดมานี้และจะสัมพันธ์นกันไปถึงข้อสุดท้ายข้อที่หนึ่งมาถึงข้อที่สี่เป็นการเพ่งแบบอารามณูปนิชฌานหลังหลังจากเราเริ่มจากหายใจยาวเข้าหายใจออก หายใจยาวทั้งเข้าทั้งออกแล้วแล้วก็มาถึงหายใจเศ้าสั้นทั้งเข้าทั้งออกแล้วจะมาถึงบทที่ว่าเห็นกายทั้งปวงรู้จักกายทั้งปวงนี่มันสัมพันธ์กันครับเมื่อเราหายใจยา ว, ยาวมันจะดันดันไปทุกส่วนทุกช่องทุกซอกทุกมุมในร่างกายตรงไหนมีช่องว่างลมจะเข้าไป ที่เรียว่าลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจในท่าลมวายโยธามันจะเข้าไปทุกซอกทุกมุมตอนนี้แหละมันจะมีปรากฏการณ์ลราพอเราล้มหานใจสั้นเปลี่ยนเป็นหันใจเศ้าหายใจสั้นมันจะไม่พอกินที่มันเคยเข้าไปมันจะอุดอัดอุดอักก็ทั้งมันแล้วมันจะปรับตัวเองที่มันสั้นมันจะขายาย ยาวไปที่มันเคยยาวที่เราเคยดันมายางมันจะหดสั้นปรับเป็นความพอดีเ ม, มันร่มลงตัวพอดีความร้อนที่เคยมีจะหายใจยาวตัวก็จะเริ่มเย็นหายใจสั้นก็จะเริ่มยาวออกก็ละเอียกเข้าตรงนี้ลมที่เราเคยดันหายใ จ, จยาวมันเข้าไปตามซอกตามมุตมต่างๆตามช่องว่างของร่างกายตามอนูต่ตางๆมันจะเริ่มออกดิ้นครับ นั่งเรจะเห็นลมลมจะเห็นร่างกายเราดิ้นตามเนื้อตามตัวตามหลังตามหัวตามไหลตามหน้าตามตาจากนู่นจะมีการไต่ไต่ไปไตมาตามหัวตามเก้าเหมือนแมลงตัวเล็กบางทีนั่งอยู่ก็เหมือนเมืองเส้นใหญ่แมงมุมแมงมุนมาผ่าตามหน้าตามตามาเกามาดึงอะไรมันก็เงียบครับนั้นท่านจึงบอว่าสภกายยปปิสังเบถิรู้จักตายทั้งปวงทั้งหมดนั้นคือลม กายยัญยัตราห่างพิเภ ต, ตาธรรมนิอาสัสปัตถาสังเพี้สุทั้งหลายเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในการทั้งหลายคือเรามันจะเข้าหาจะออกนี่แหละเราจะมารู้จักกายทั้งปวงอยู่ในในที่มันเคลื่อนไหวในตัวนั้นหลังจากนั้นมันจะร่มลำงับข้อที่สี่ที่เราบอกว่าปัจฉภัณฑ์กายจะสังขารัง <c oughs> ทําบทศึกษาว่าเราจะทํากายสังาหารให้ลำงับให้จะเข้าหาจะออก ลมหายใจละเอียดเข้าช่งนี้เมื่อลมละเอียดละเอียดเข้าละเอียดเข้าเสียงจะดังขึ้นในหูเหมือนเสียงแมลงพึ่งเหมือนเสียงแมลงคู่เหมือนเสียงลมพัดจ่อไม้ชายเขาเสียงจะดังสองแต่หวะเสียงต่ําเสียงสูงที่แท้ก็คือเสียงลมที่เราหายใจเข้าไปอยู่ในในในร่างกายของเราเมื่อเราไปอยู่ในโรงงาน เสียงจะละเอียดขึ้นจะดันสองเกวัตรเมื่อลมมันจะละเอียดลงเลยลมมันจะระงับเสียงนั้นจะค่อยลงจะเกิดเสียงใหม่ขึ้นมาแทนเสียงแหลมเมื่อเสียเสียงใหม่หอนหน้าตาจะสดชื่นแจนสายมากจะเริ่มมีเสีมีปีเตถ้าลมน้อยไปน้อยไปน้อยไปน้อยไปเสียงจะดันแหลมขึ้นหน่อยถ้ารู้มิจันนันหัวจะแน่น แน่นเหมือนเป่าลูกโป่งเอาลมเข้าไปพระอุปติสสะทู้รจนาคำภีวิมุตติมัตซึ่งท่านบนนี้น่าจะเป็นพระตาลีปุตเพราะชื่อมือนกันแต่งมาก่อนหลัลงเสร็จการทักใหม่ๆนี่แหละแต่งก่อนวิสุทธิมัตใถ้บอกว่ามูนีโยคีนั้นจะรู้สึกเหมือนในศีรษะถูกอัดด้วยลมหัวจะตึงเป๊ะนี่ กายหลงงบตึงแล้วจะตืน่นและมีเสียงอะไรดังขึ้นน้ำหมอกน้ำค้างหยดใสกอดใจมุ้งในป่าจะเกิดเป็นแสงในควารู้สึกแสงว่าเสียงหมาเห่าตุ้แกร้องไกายขันที่ไหนดังว่าก็มาจะเกิดเป็นแสงนี่จิตใจเริ่มสงบเพราะกายหลงงบและจะมีแสงถ้าเกิดวันเราเพ่งไปที่ไหนแรงๆจะออกไปแสงว่าออกมาก ตรงนี้ถ้าอยู่ในป่าในดงจะกล้ามากไม่กลัวเลยผีสานขาา่าอะ อ, อสุรกายปีศาจอะไราาจะกลัวแล้วมั้งไม่ต้องมีขาถาทกันตัวเรียครับอเอี่ยไปฆ่ามันตายนะถ้าเพียงไปโทรมันตาอยอั่งที่พูดเมื่อเช้านะอย่างที่ลงลง ล, งลงุปูพันธ์ทำพระจนีกกองกอง่อยในดงพระเจ้าเองตัวนี้ถ้าลรงับมากสงบมากแสงจะมีมากขึ้นแล้วมันจะได้เกสนยินแสงเหมือนฟ้าแดดเหมือนที่ห้องพระพับปพั บ, พ บ, พบจะเกิดขึ้น วิชูปมารธรรมมาทามันเปรตเสมือนฟ้าแรบว่าชูปมารธรรมมาทามันเปรตเสมือนฟ้าผ่าจะมึบางทีลมงับมากแน่นเป๊ะใจก็สงบลมงับมหายใจก็หมดไปอสัสสะสะพัสสถาปภะการานโหติเอวังสันเตวะตุปลัลติยาอสาัสสะสะพัสสถาปภะการานโหติเมื่อเป็นเช่นนี้ความละเอียดของลมเกิดขึ้นได้ความลำเอียดของลมแล้ว เราหายใจเข้าหายใจออกก็จะไม่ปากกดแ่ดับไปไม่ใช่ตายนะครับอย่าไปกลัวตายไม่มีลมตอนนี้ไม่มีลมอย่ากลัวคนไม่หายใจไม่มีอยู่ในสเปกอย่างพวกเราคนไม่หายใจไม่มีกี่ประเภทไม่มีกี่ประเภทหรอครับหนึ่งคนดำน้าเราดีวงบดีววหายใจกหายอยู่หรอกเราไม่รู้อะไ้เลยสองคนอยู่ในคัรมาดา สามคนตายเรายังไม่ตายตอนนี้เราก็ออกมาแล้วจากธรรมดาสี่คนเข้าไปอยู่ในจตุ ธ, ธาชานตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าชาไหนพี่งแต่เราเราจะจะไปชิมจะลืนะถ้าเข้าไปสูจ่จตุชานในลหาใจไม่มีนะดับนะถ้าจะมีโลหาใจอยู่เข้าไม่ได้จดตุทศชาณ น, นศาอาชาศาประพัดปสาศาประภักตากาโหติพิฆเวพี่สุทั้งหลาย ลมหายจะเข้าหายใจออกนี่จะเป็นค่าศึกต่อเจตุธาชาติผู้ที่เจริญสมาธิไปสูงๆเมื่อเข้าสู่ระดับจตุธาชาตต้องดับลมหายใจได้ยังไงถ้ายังมีลมหายู่เข้ามาได้มันละเอียดมากตัวนี้เป็นสมาธิมาตรฐานที่จะไปใช้เป็นริปเป็นเดชเป็รได้วัดอปิญญาอยู่ตรง น, นี้ตัวนี้เรายังไม่เข้าเจาตุธาชานแต่ว่ากายมันรุนแรงมากมันก็ดับลมไปเราไม่ต้องกลัวถ้าถอนขึ้นมาใหม่ต้องหายใจให้แรงๆที่จะหมก ฟื้ขนขมาใหม่ก็มาแน่นเป๊ะอยู่บนหัวพอแน่นก็เพ่งละเอียด เ, เสียงก็ดังละเอียดเข้าละเอียดเข า, า ง, งี้หลอมทีนี้จะมีอาการอีกอันหนึ่งแตกนะครับระเบิดเอกเตสุสมุขนันโธอภินิยยงสภาวะที่จิตเป็นเอกเป็นอันหนึ่งเดียวกันรู้ว่างอย่างดีพังกันจกอนุปสติจะเห็นความแตกไปแห่งจิตแตกตึง้งระเบิดเหมือฟ้ามือนดินถล่มทลาย อย่าเข้าใจว่าเราเราเป็นพระอาหารหันนะเป็นธรรมชาติธรรมชาติของจิตเมื่อโยคีโยคาวาจรเพียนเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโยมเมื่อความเคลื่อนไหวไ ป, ไปผ่านไปของอารมณ์นั้นย่อมเห็นความแตกไปแห่งจิตเมื่อเห็นความแตกไปแห่งจิตเราจะเห็นทุกอย่างในโลกนี้ว่าสุเมโตโลโกมีปัจฉนาอธิปัญญาบิปัจฉนา เห็นความว่างเปล่าไปหมอทั้งโลกนั้นคือการรู้แจ้งในปัญญาหรือว่าวิปัสนาปัญญาขึ้นมาเลยครับนี่ขึ้นมาเลยนี่คือการทำงานไปสุดยอดของการเจริญแบบอารมณ์นุบันิชฌานทีนีขน้ข้ขอต่อมาเมื่อกี้นี่ขอ้อที่ห้าเริ่มแล้วทีนี้ลักขันองบันิชฌานนะครับตนนัวเองดูดีๆนะเพื่ดูลักษณะว่าอย่างไงครับขอ้อที่ห้าปีตีปฏิสังเวที หรือพร้อมเฉพาะซึ่งปีติปีตินี่เป็นลักษณะของอารมณ์ของของของเวทนาเราจะต้องมารู้รู้เวทนานี้เมื่อการลรางับแล้วมันจะเกิดปีติถ้าเรามา่น้อยก็เกิดปีติน้อยถ้าเรามั่มากก็เกิดปีติมากแล้วงับเระดับนั่งใจอ่อนน้ําตาไหลนั่งอยู่น้ําตาไหลคนลุกขนพองเยื่ออยากสถานไปทั้งตัวนั่งอยู่ดีเห็นตัวเองตัวโยกตัวคลอนตัวเล็กตัวใหญ่ ตัวยืดตัวงอมาที่จะรู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่มากตัวใหญ่ใหญ่นั่งอยู่ในกอดเต็มกอดมือหัวเท่ากับอกมือหัวเท่าไงมือมัก็เท่าลูกมะกรูดสุกหายใจเบามันกระเทือไปมาทั้งตัวตอนนี้มันมันเกิดตีกันขึ้นมันมีกลุ่มเดียกันไฟลําเดียวกันตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโยกตัวคลอนตัวยาวตัวป้อม ตัวสั้นๆตัวเล็กๆน้ำตาไหลขนลุกเย็นในเยื่แล้วก็ใจอ่อนมากแต่มันมันมันจะเกิดโมทุกภูเตจิตเตจิตนิจใจกับนุ่ ม, มนวลอ่อนยนถ้าคิดถึงเรื่องเรื่องความชั่วกรรมบาปเขาตัวเองก่อนน้ำตาไหลเหมือนจะไปตกนรองมารู้ลมไหนคิดถึงบุญถึงคุณของพ่อของแม่ของคนที่มีบุญมีคนๆๆต่อเราก็มือนท้านมีบุญมีคุณมากเราจะเอาอะไรน้องไปต่อแทนของท่าน คิดถึงพ่อถึงแม่จะคิดมากตอนนี้รักพ่อรักแม่จะรักมากตอนนี้พระเน่จะรู้จักรักพ่อรักแม่จะรักมากตอนที่มีปีติในทางนี้ทำนี่แหละคนเวลาจมื่นคำกล่อมลูกเวลานอนเจ้าใหญ่มากเจ้าไปบวชได้ยิ่งวดได้ศีลนด้ทำได้จานําคุณพ่อคุณแม่ข้อใดแก้ดึงขึ้นสวรรค์อ อ, อ, อ, อ, อืนอนสะลาลับตาไม่จะกอมท้าแพ่ไม่ได้เอลย แต่านี้มาให้จะไปบวชเดี๋ลูกเด้อคนจะของไปอยากให้ลูกไปบวชเดีลูกจะบุญคุณนล้กบวชแล้วลูกจกบุญมาเคยจะเลิก จ, จบวชที่ บ, บวชซิกบเราคิดเราเป็นเก่งปานหายหนู่พ่อแม่ปานโตนั่งลงข้งเต็นต์มันลงชักขบวชซิมามันไม่เคยทําอย่างนี้ถ้ามันทําอย่างนี้ตัวปีตรีระดับนึงจะจะคิดถึงบุญคุณพ่อแม่มากบุญคุณของบ้านของเมืองของพระราชามหากษัตริย์คุณค่าของสังคมที่ดีงามที่หล่อเลี้ยงพวกเราอยู่ทุกวันจะรูกไได้ ใ่จะเป็นบุญตอนนี้จะเป็นบุญแล้วจะเป็นเนื้อนาบุญจะงอกเงยมาซึ่งหัวเงาความเดชและจะมีความสุขสถ้ามาเปรียบเทียบกับความสุขทางโลกที่เคยพบเคยเห็นโดยเฉพาะทางทางด้านอารมณ์อลาการ์โหติสถรนโมนาภาสโสปัติฟียาถาไกลห่างกันเหมือนฟ้า ก, กับดินไกลห่างกันมากตอนนี้ไม่ขีเ้เกียจหรอกครับแต่อย่าลืมนะเจตจจตตุปนิพัทธ์มั น, เ ป, นเป็นบ้ากี่ไร ท่านเจ้าก็ต้องดูลักษณะนจรบอกปีติปริสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งเวทีแล้วก็สุขาบริสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขทำไมต้องมารู้ว่าพวกนี้พวกนี้จะมารวมตัวกับเป็นเบทนาและจะกลายเป็นสังขารจิตสังขารและจะคิดจะฟุ้งจะพุ่งแต่แตกและจะเป็นบากันตรงนี้แหละมาึงตัวเบาเบาไปชิงหงษ์ไ้เลยเนี่ยคิดชิงหงษได้ยืนเล เขาบอกเป็นก็บ่ยเหลอบานมาัใจงโอ้ไม่ดีตัวเนี่ามันเบาไปทางองปนแค่้เลยเพื่อนการองหนึ่งเดินจงกรมอยู่ไกลห่างกันประมาณสักร้อยเมตรต่างต่างองต่างเดินเดินไปเดินมาเห็นทนเต็มตกองของบักมาล่งคงเกงหวยคือไปีนรเ่าเต้นมาโล่งคงเข่งอย่างจริงจว่าเขาไปไปเรื่องการรอยันทร์ไปใจห้องแล้วใช่ไหนี่เลยคนนวัได้ปะ ที่เขาท้อกกลาวว่าทานเป็ทบฟีตีมันเบาอัพลิฟิงจอยอุเพงคาปีตีปีตีโลดโถนเบา้าเหมือนจะบินจะห อ, อได้ท่านก็เดินกลับไปลาบบ่าวออาไปนั่งเลอกู่วีปีนี่มัมออหนหรอกขนานี้มัมออนไปซะแล้วก็ไปอีกทีแล้วก็โดนตำรวเอ็งค้าวตงโตอดูดด่รียบร้อยั้ง กะกบกบวกกับกบกบอาบุตแต่หาโคลนไม่ยหมามันบาที่ราเรื่องที่่มันไม่เหว่าเป็นถ้าเกิดว่าปีที่ปริษังเวทีดูพร้อมเฉพาะสุกีทหายใจออกหายใจเข้าเราจะไม่ได้หลงมันจากปีนี้แล้วมันจะเกิดความสุขสุกปีที่สงนี้เป็นเย็นอาเสจนะโกที่เราสอนเมื่อวาสงบ ปาหนี้ชื่นใจอาเซจีน่ากไปประมาเหมือนอาบน้ําเย็นแสนจะเย็นเย็นในหัวในเก้าเหมือนเอาน้ําแข็งแช่ไว้ในสมองมันมันไหลอาบเ อ, อิบไปนั่งอยู่คนเดียวก็เย็นมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ต้องรู้มันเป็นความสุขทึ่ว่าสุขะปริสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขห้ยใจออกหายใจเข้าถ้าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวปุง ข้อที่หข้อที่เจ็ดว่าอย่างไงครับมันสมัมพันธ์กันจิตสังขารังใช่ไหมปฏิสังเวทีอาศัปตะ ถ, ถาวมีติสิกเตสองข้อแรกนี้จะไปสมัมพันธ์กับข้อข้อที่เจ็ดระหว่างข้อที่ห้ากับข้อที่หเมื่อเรารู้จักปีติเรารู้จักความสุขอยู่ทุกลกมหายใจหลังจากนั้นปีติและความสุขนี้จะไปเป็นเครื่องมือปรุงแต่งให้คิดการคิดในทางลับ จิตตสังขารังจิตตสังขารสังแปลว่าพร้อมการกระทําพร้อมกันแปลงสมประน่อยแต่ตัวกอเป็นตัวคอเป็นขาละเป็นสังขาระแปลว่ากระทาพร้อมกันการสังขารก็มีตัวประกอบจิตสังขอขานก็มีตัวประกอบให้เป็นสิ่งที่มาทำให้เราคิดเป็นจิตสังขารมีสามอันหนึ่งสัญญา สองเวทนาสามวิตกสัญญาความจำได้มารู้ความสำคัญมั่นหมายเวทนาความที่จิตเซลอารมณ์ที่พอใจแล้วไม่พอใจเอามาปรุงแต่งวิตกความคิดรวบยอดความคิดสำเร็จรูปภาษาฝรั่งเขาจะใช้คาว่าคอนเซปชันคือวิตก Perception คือสัญญา Feeling คือเวทนาเอามาจชสาวอันนี้เนาะเราจะปร ด, ดูมีไดนักศึษาวิไดบัณฑิตขอใช้ภาษาต่างประเทศวางจ้งเลยกน่อยตามภาษ า, าคนห่า Perception Conception Feeling ทั้งสอันนี้ม่มุ่งมาลงกันแล้วมปุงมุปุเรียก ว, ว่าจิตสังขาร o d t e r o Activity mental formation v o l i t i o n ออกทิ activity การปรุงแต่งทางจิตภาษาวบานรู้ว่าจิตสังขารหลังจิตสังขารเกิดคือมันคิดทีนี้มันจะคิดนะคิดคิดคิดคิดเป็นเรืโองนี้เป็นปุญญาพิสังขารคิดเรื่องดีเมื่อมีมีมีความสุขอะไรใจจะมาคิดคิดอยากจะให้พ่อดีอยากจะให้แม่ดีถ้าเป็นเนรเป็นพระจะเอาพ่อแม่มาปฏิบัติธรรม มันคิดในแบบปุญญาพิสังขันปุญญาพิสังขารสังขารปุ่แบบบุญปุ่ปดังดีถ้าเป็นโยมก็คิดอยากบวชทีออ่อยากปาลูปาาเมียไปกันแต่สัเกมิเลยอยากไปบวชมี่ฉนั้นก็อยากจะสร้างวัดเป็นอาสมเป็นที่ปฏิบัติธรรมห้ามม้วนปฏิบัติธรรมคือจะขัปาร์มัเป็นครูบ า, าอาจารย์เลยคิดเราไม่ไปด้วยอยากเขียนบัตรให้วาดเท่า่ มันคิดสร้างตอนในสิ่งที่ดีทิ้งเอาแต่ต้องรู้มันที่ว่าจิตแต่สังขารลำพฤสังเบตินี่เพ่งดูลักษณะนี้จิตตสังขารลำพฤษังเวทิอสศัปตะสามิติเศรษิมันคิดก็ไม่รู้มันคิดดีก็รู้อย่าไปลงมันคิดชั่วก็จะไปกอดกับมันหลงอย่าไปหลงกดกับนันนะี่รู้ให้มันหยุดอย่าเสียใจกับความชั่วอย่าดีใจกับความดีที่มันคิดขึ้นมารีบรู้กับมัะเข้าไวๆมันจะจบตัดตัดตอนมาเลย คิดปับ๊บรู้ปับ๊บดับปับ๊บคิดปับ๊บรู้ปับ๊บก็ดับปับ๊บไวเข้าไวเข้าไวเข้าเมื่อคิดนานๆเข้รู้ทันไวเข้าจะเกิดอะไรขึ้นเปิดข้อที่สุดข้อที่แปดติปสัมพภัญติจิตสังขารังอัตาปัตตาหมิติสิทธิจังจิตสังขางรี้ให้เรางับจมหายใจออกให้จะเข้า ถ้าเรารู้มัน่นครับมันดับมันดับมันดับมันดับมันระมัดไปเลยมนี้เบืนบดมงบุคคลมีนะจริงจะมีเดจะต้อมาถามละมันคือบ็คือถึงอาจารย์ป่ิบัติเลยแต่จริงจรงะได้มันจะเศร้าบ่ายนี้จะมาถามไหมนี่มันเฮ้ยเทงได้มันจะซื้มันคนซื้อมันโง่บกามันฉลาดมันไคนคนโง่นะมัน้ตัวนี้จิตแต่ทางคานรามัปลอมเทยเมื่อเราอยู่ในโลกนี้คนเดียวในโลก เวลาไม่บีบขันตื่นมาต่เช้าถึงพื่าไในเมืองเวลาอย่างห้าสิบปีมันห่างกา ก, นนนงงกันเห็นบุคคลเมื่อเช้ามาถึงเที่ยงก็เหมือนเหตุการณ์นั้นห่างกับไปยี่สิบปีมันมีอดีตมันไม่ไปอนาคตมันอยู่กับปัจจุบันซื่อบื้อเดียวแต่ตอนนี้ไม่ใช่แบบซื่อบื้นะจะรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาของพ่อชงเจตอุเบกอุเบกขาสาม พ, พ่อชงเพราะในพวกโงเดตตัวสุดท้ายคืออุเบกขาอุปปเาเข้าไปอีกคริฆ ต้องมองดูดูแปลอีเป็นเอเป็นอุเปกขาตัดทาง ป, ป, งป่าออกไปอุเบกขาที่เขาไปต้องมองดูความเป็นธรรมจงความเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นเองเมื่อได้คิดอะไรเฉยลองตายเป๊ะอีคืีวิวถ้าอ่านหนังสือถ้าไปสอบเตรียตัวตกบ่ได้เลยไปไหนบ่อ่านยังอา่านหนังสือมาอลอหงหัวเป๊ะหัวงนี้ห้องเป๊ะไม่อ่านเลยมันอ่านได้ใจ มเกณฑงอ่านใจอ่านใจดีกว่าไม่ต้องปเปลืองสายตาไม่ต้องไปเปลืองไฟเปิดมันคิดอะไรมาเราครูเจ้าต้องสอบตกต้องไปวันไ้สอ บ, อสอ บ, อสอบมาถึงตัวนี้นเป็นเองอะไรจะมาถา ม, มเรื่งผูเป็นเมื่อันหน่มันเรีเ่งบ่อยจืดไม่จำเห็นหน้าพี่หน้าน้องเห็นหน้าคนที่รู้จักม า, าก็จำจำได้คำเขาหนะไอ้อ น, นี่มันมันชื่ออย่างไรเน บางทีพี่น้องด้วยกันมามันซื้อไปยังใดนอ้องคือบอกคือจิดมันจะสลัดสัญญาออกไปสัญญาตัวนี้เป็นที่ตั้งอย่งสังขารผู้จะว่าอาธิอิมัสชะสัญญาขตาัชอุตตลินิสเลนันติมีอยู่นะพิสุการที่เจของเธอจะสลัดสัญญาเปที่ตั้งอย่งสังขารทุกอย่างสงูงออกไปมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ก่อนนี้จะมาถามทํำยังไงจะจําได้อาจาัน อาจารย์เฮใจเสิชื่อเป็นจะทำยังไงจะจำหนังสือได้ท่องบอนจะจำได้เมื่อีใครมาถามว่าทำยังไงจะลืมทำให้ลืมยากกว่าทำให้จำเอาเราดูซื่อมามั่ถึงตนตรงซื่อต้องเห็นตนซื่มาลืมไม่มีอดีตไม่มีนวคดอยู่กับปัจจุบันตรนี้แหละมันยากยิ่งกว่าจำนางยุ้งขาดามาสักยี่สิบปียังคิดจามามากอดอ เห็นใจได้จิรงคือเพราะว่าเนี่ยปัญหาจาน้ําในแก้วถ้าเราต้องการน้ําสะอาดบริสุทธิ์มาใส่ดี่มเราต้องเทน้ําเก่าทิ้งก่อนจึงจะบรรจุน้ำใหม่ได้ที่บริสุทธิ์จิตใจนี้ของมึงกันถ้าต้องการพระธรรมอันบริสุทธิ์จะต้องลืมซะก่อนฉันยายจะต้องสุขสารทิ้งทำไมสารอยู่ตรงนี้แหละตรงข้อที่แปดนะ ปัดสัมไปยังจิตสั้างขารังอาสาปัตตาเมติสิกติเพิกศูนนั้นเพิ่งทําในบทศึกษาว่าเราเป็นพวกทาจิตสังขารนะรำงับจูหาให้จะออกให้จะเข้าดังนี้ดังนี้เย๋ยวรับดังนี้วุ่นจักดังนี้คือวันนั้นไปไปตงแล้วตอนนี้ออกนี้หรอมองครึ่งแล้วไปชั้นน้ำปลานะมอสดมนผมจะ ไ, ไปหาหมอ ขอความเจริญ ง, งองเงาในจารณะและเสขับปฏิปธานนี้รุ่งเรืองไพบูลในรณาธินารแห่งพระสมณทุตุลาที่ตายไปดีแล้วจะได้สืบทอดพระศาสนารักษาพระธรรมวินัยอย่างพระศาสนานี้ให้มีพลังสืบไปเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสืบทอไปโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์งทุกท่านทุกคนทูตโอทามิสาธุ เราก็กราบให้พรน้ำปานะก่อนเนาะน้ำปานะมีไหมมีก็ให้พรน้ำปานะแล้วก็กราบประรับน้ำปานะกันแล้วจึงมาหัดเนาะพอเทือกันเป้นมู